สามสิบหกมุพยาุการขนส่งมวลชนเป้รราวาณะป้ายรถโดยสารอยู่ที่ไหนคะบัสตเอไปกะดะรถเมคันไหนไปกลางเมืองคะ ซิตี้เซ็นเตอร์คีเย่บัสเวิร์ตุนดีดิฉันต้องไปสายไหนคะนี่นูเย่บัสเอกาลีดิฉันต้องต่อรถไหมคะนี่นูมารลละดิฉันต้องต่อรถที่ไหนคะนี่หนูยกละมาแลลีตัว๋วรถราคาเท่าไหร่คะ รที่ยันต์ถ้าเดินผ่านตัดชุกกี่ป้ายก่อนจะถึงกลางเมืองคะดาวน์าวนซิตี้เซ็นเตอร์กันเตมุนดูย็งนิสตอพลุไนคุณต้องลงรถที่นี่คะ่ะมีรู้อีกระดิกาลคุณต้องลงข้างหลังคะ่ะมีรู้เวนกไว้ปนุนดีดีกาลี อีกห้านาทีรถไฟขบวนต่อไปจะมาค่ะ Next train, I don't k n อีกสิบนาทีรถรางขบวนต่อไปจะมาค่ะ Next tram, I don't know. อีกสิบห้านาทีรถเมคันต่อไปจะมาค่ะ Next bus, I don't know. รถไฟใต้ดินเที่ยวสุดท้ายเมื่อไห ร, ร่คะอากาเร่ทรนเยปปุรุบุนดีรถรางเที่ยวสุดท้ายเมื่อไรคะอากาเร่ทรมเยปปุรุบุนดีรถเม์เที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่คะอาการ่บัสเยปปุรุบุนดีคุณมีตั๋วรถไหมคะมีวัต ด, ดาติ๊กเก็ตวุตดา ตั๋วรถหรือไม่มีดิฉันไม่มีตัวรถค่ะติก๊กต๊ะเล่ดูนาวัตเดเล่ยดูงันคุณต้องเสียค่าปรับค่ะไอเตมีรู้เจรีมานาคาตาลี